ที่ตรัสสอนระบุถึงภิกษุใหม่ให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานและที่ตรัสไว้ว่าแม้พระอาหารหันต์ขีนาศพทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานก็เป็นอันสรุปว่า ทั้งผู้ปฏิบัติเก่ามาแล้วทั้งผู้ที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ก็พึงปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ได้ด้วยกันและในข้อนี้ก็พึงทงความเข้าใจเพิ่มเติมอีกว่า การปฏิบัติทมสตินี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะสติคือความระลึกหากระลึกไปถูกต้องก็เป็นสมมาสติคือความระลึกชอบหากระลึกไปผิด ก็เป็นมิจฉาสติคือระลึกผิดฉะนั้นคำว่าสติคือความระลึกได้นี้จึงเป็นคำกลางๆเป็นสัมมาสติระลึกชอบก็ได้เป็นมิจฉาสติระลึกผิดก็ได้ แต่ว่าโดยมากเมื่อกล่าววตัตติก็มักจะหมายถึงสัมมาสติคือระลึกชอบจนเป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อพูด ว, วัสติก็เป็นความระลึกชอบแต่อันที่จริงนั้นเป็นคำกลาง หากระลึกผิดก็เป็นมิจฉาสติระลึกชอบระลึกถูกยังจะเป็นสัมมาสติก็จิตนี้เองเป็นผู้ระลึกและความระลึกก็ระลึกด้วยจิตนี้เองฉะนั้น สติจึงเนื่องโดยจิตและเมื่อพูดเมื่อพูดถึงจิตอันหมายถึงจิตใจตามที่เข้าใจกันนี้ก็ควรจะพูดถึงอารมณ์คำว่าอารมณ์นั้น ได้เก่เรื่องที่จิตคิดดำริหรือว่าหมกมุ่นคลุ่นคิดถึงในภาษาไทยบางทีเข้าใจกันว่าหมายถึงจูดตัวจิตเอง จิตดีก็มักจะว่ามีอารมณ์ดีจิตไม่ดีก็มักจะว่ามีอารมณ์ร้ายหรือมีอารมณ์ไม่ดีจนเป็นที่เข้าใจกันหน่อยมากว่าอารมณ์เป็นอาการของจิตที่ดีหรือไม่ดีดังกล่าวนั้นแต่อันที่จริงนั้น ธรรมะอารมณ์ไม่ได้หมายถึงตัวอาการของจิตโดยตรงแต่หมายถึงตัวเรื่องเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงเพราะฉะนั้นสติคือความระลึกได้นี้ ก็คือระลึกไปในเรื่องอันเรียกว่าอารมณ์ดังกล่าวนั่นเองหากว่าระลึกไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสกองโลก กองโกรธกองลงหรือของราคะโทสะโมหะอิเลสก็บังเกิดขึ้นเป็นราคะความติดใจยินดีโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลง อันกิเลสคือราคะโทสะโมหะ <c oughs> เหล่านี้เองเป็นอาการของจิตคือจิตที่มีอาการเป็นความติดใจยินดี เป็นความชอบใจก็เป็นราคะเมื่ออยากได้ก็เป็นโลภะจิตมีอาการคุณมัวครึ่งเครียดขัดเคืองโกรธแค้น ก็เป็นโทสะจิตมีอาการง่วงงูนเครียดเคริมฟุ้งซ่านรำคาญเครื่อแครงสงสัยต่างๆก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นเมื่อสติระลึกไป ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านี้จึงบังเกิดกิเลสเหล่านี้ขึ้นในจิตพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอาการที่เป็นกิเลสเหล่านี้อันบังเกิดขึ้นในจิต เรียกว่านิวร อ, อันแปลว่าเป็นเครื่องกั้นกิตเอาไว้ไมิให้สงบและทำให้ตัวปัญญาคือความรู้อ่อนกำลังกำบังปัญญาไม่ให้บังเกิดขึ้น และก็แสดงนิวรณ์เอาไว้เป็นห้าข้อคือกามฉันความพอใจรักใคร่อยู่ในกรรมคือสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ อันได้แกรร่รูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือพลทพสิ่งถูกต้องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆหรือว่าโดยอำนาจของกามคือตัวความใคร่ความปรารถนาพยาบาทความกระทบกระทั่งขัดเคืองโกรธแค้นมุ่งร้ายหมายล้างผลาญ ที่นมิทธะความง่วงงูลเครื่อเครื่มอุทธะกุกุจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิกิจชาความเครื่อนแพรลงสงสัยตัดว่าเหล่านี้เป็นอากุศล ร, ราศีอันแปลว่ากองแห่งอากุศล อันมันเกิดขึ้นในจิตคำว่าราศีนี่ภาษาไทยเรามักเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งดังที่กล่าวกันว่ามีสง่าราศีอันหมายในทางดี หรือมีราศีพองใสมีราศีเศร้าหมองแต่คำว่าราศีนี้อันที่จริงแปลว่ากองถ้าเป็นกองของอกุศลก็เรียกว่าอากุศลนาราศีแล้วก็เลยตัดชี้เอาว่า เมื่อนิวร์เหล่านี้มังเกิดขึ้นในจิตก็ชื่อว่ามีอกุศลราศีอยู่ในจิตเมื่ออกุศลราศมีมีอยู่ในจิตก็ย่อมจะแสดงออกมาทางกายได้ปรากฏเป็นความเศร้าหมอง ไม่ผ่องใสก็เป็นอันวราศีไม่ดีส่วนูที่ปฏิบัติธรรมสติคือความระลึกไปในอารมณ์คือเรื่องอันเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายคือในกายเวทนาจิตธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้สติคือความระลึกได้ก็เป็นสัมมาสติและอารมณ์คือกายเวทนาจิตธรรมอันพีจอันเป็นที่ตั้งของสติคือความระลึกได้นี้ ก็รวมกันเป็นกุศลก็เป็นอันว่ามีกุศ ล, ลราศีกองแห่งกุศลตั้งขึ้นในจิตจิตก็ผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสความผ่องใสก็ปรากฏออกมาทางกาย หน้าตาก็พองใสเป็นต้นก็เป็นอันวราสีดีเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนมิให้ทรงจิตระลึกไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของนิวรณ์ทั้งหลาย เป็นต้นว่าในกามคุณอารมณ์ต่างๆคืออารมณ์ที่เป็นฝ่ายกามคุณมันได้ก่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องผลตพะทินารักไทยปราสนาพอใจทั้งปวงและก็ได้ตรัส สอนไว้ด้วยว่าเมื่อทรงจิตให้ระลึกไปในกาะคุณอารมณ์ดังกล่าวก็ชื่อว่าระลึกไปนอกวิสัยนอกเหตุของพระพุทธมินา มานหูมุ่งไรคือกิเลสก็ย่อมจะ จ, จับจิตใจที่ส่งออกไปนี้ได้ไวได้และเข้ามาสู่จิตได้เพราะฉะนั้นจึงควร ทรงจิตให้ระลึกไปในกายเวทนาจิตธรรมอันชื่อว่าเป็นวิสัยเป็นเขตของพระพุทธบิดาที่ทรงสั่งสอนไว้เมื่อเป็นดังนี้ก็จะพ้นจากอำนาจของกิเลสสมารมานก็จับจิตวิ่งเข้าสู่จิตไม่ได้ และในตอนนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเป็นเรื่องนิทานสาธกธรรมะเปรียบเทียบไว้ว่านกเยียว ได้โอบจับนกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านกงอนไถเพราะเป็นนกเล็กๆที่ชอบจับอาศัยอยู่ในก้อนดิน ชาวนาเขาได้ไถนาแต่ว่าเมื่อนกมูลไถ่หรืองอนไถนั้นบินไกลออกไปจากก้อนดินไถนาของชาวนาจึงได้ถูกนกเหยื่ยวจับได้ เพื่อที่จะนำไปเป็นอาคารนกมูลไทยก็ร้องคร่ำครวญขึ้นว่าที่ถูกนกเหยี่ยวจับได้นี้ก็เพราะว่าบินออกนอกเขตของตนถ้าหากว่าอยู่ในเขตของตน คือก้อนดินไถนาของชาวนานั้นแล้วนกเหยี่ยวก็ไม่สามารถที่จะจับได้าวนกเหยี่ยวมีความคำแหงในกำลังของตน ได้กล่าวว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนเราก็จับได้ทั้งนั้นจึงได้ลอยนกมูลไถไปนกมูลไถก็กลับไปจับอยู่บนก้อนดิน ไ ห, หนาของชาวนาแล้วก็ร้องบอกแก่นกเหยียวว่าพร้อมแล้วฝ่ายนกเหยียวซึ่งมีความคำแหงเขิมในกำลังของตน ได้โชบลงไป่วยแรงอย่างนกมุนไถ ท, ที่จับอยู่ที่ก้อนดินนั้นนกมุนไถก็หลบเข้าไปในระหว่างก้อนดินทันทีฝ่ายนกเหยี่ยวที่โฉบลงมาโดยแรงก็มากระทบกับก้อนดิน โดยแรงต้องเป็นอันตรายไปเองดังนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงนิทานสาธกธรรมดังนี้จึงได้ตรัสสั่งสอนว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ทรงจิตท่องเที่ยวออกไปนอกเหตุของพระพุทธบิดา คืออยส่งจิตให้ท่องเที่ยวไปในการมคุณอารมณ์ทั้งหลายเพราะถ้าส่งจิตให้ท่องเที่ยวไปในการมคุณอารมณ์ทั้งหลายเปนเหมือนก็จะเป็นอย่างนกมูลไทยที่ถูกนกเหยี่ยวจับได้ก็คือมานนั่นเองก็จะจับจิตที่ท่องเที่ยวออกไปนั้นได้และวิ่งเข้าสู่จิต ให้เกิดอากุศนราศีต่างๆขึ้นในจิตจะฉะนั้นให้เธอทั้งหลายทรงจิตให้ระลึกไปคือท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่เป็นวิสัยเป็นเขตของพระพุทธบิดาคือสติปัฏฐานทั้งสี่คือในกายในเวทนาในจิตในธรรมดังนี้ และเมื่อเป็นดังนี้แล้วมารก็จับจิตนี้ไม่ได้จิตนี้ก็จะประกอบไปด้วยกุศลราศีทั้งหลายเกเจริญด้วยธรรมปฏิบัติทั้งปวงดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสตรต่อไป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 ในธรรมในเบื้องต้นนี้จะได้แสดงพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เอง จะเรียกว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้เองก็ได้พระสตนนี้พระอาจารย์โพสังคยนาพระธรรมวินยัย ได้ให้ชื่อว่าทเวทาวิตักษกะตรที่แปลว่ากระโสตแสดงการแบ่งวิตกให้เป็นสองส่วน วิตกหรือวิตัะ ก, กะนว่าความกรกก็คือความคิดนี้เองทุกคนมีความคิดอยู่เป็นประจำคิดถึงเรื่องโน่นบ้าง คิดถึงเรื่องนี้บ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงพระองค์เองว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นประโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้ได้ทรงปฏิบัติ แบ่งวิตกคือความคิดของพระองค์ให้เป็นสองส่วนคือถ้าความคิดเป็นอกุศลอเ น, นว่าอากุศล น, นวิตก ความคิดความตรึกหรือเรียกรวมกันว่าความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลก็ทรงแยกไว้ส่วนหนึ่งถ้าเป็นกุศลนวิตตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศล ก็ทรงแยกไว้อีกส่วนหนึ่งอันความคิดที่เป็นอกุศลอันเรียกว่าอากุศลมวิตกนั้นได้ทรงแสดงไว้ว่าได้แก่กามวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางกาม คือในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัที่น่ารักคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายพยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางพยาบาทมุ่งไร้ปองไร้เครื่องเครียดโกรธแค้นขัดเคือง วิหิงสาวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนเมื่อความคิดทั้งสามนี้บังเกิดขึ้นก็เรียกว่าอากุศลและวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศล ส่วนกุศลมบิตกนั่นก็ได้แก่เนคขัมมบิตกความตรึกนึกคิดไปในทางออกจากกามตั้งตนแต่ออกทางใจจนถึงออกบวชทางกาย อพยพยาบาทวิตกความฝ<ะ>ึกนึกคิดไปในทางไม่พยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายกระโดดแข้งขึ้นเครียดขัดเขืงแต่ว่าเป็นความคิดไปในทางเมตตากรุณา รักครปรารถนาให้เป็นสุขมุ่งจะช่วยให้พ้นทุกข์อวีหิงสาวิตกความตระหนึกคิดไปในทางไม่เบียดเบียนคือในทางช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆเมื่อความคิด เหล่านี้บังเกิดขึ้นก็เรียกว่ากุศ ล, ลวิตกความตึกนึกคิดที่เป็นกุศลเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์สแสวงหาพระโพธิญาณ